เทสนาคามินิยาทิอาปติว่าด้วยอาบัตเป็นเทสนาคามินีเป็นต้น475ถามอาบัตเป็นเทสนาคามินีมีเท่าไรอาบัตที่แก้ไขได้จัดไว้เท่าไรอาบัตที่ทําคืนไม่ได้ในศาสนานี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ รัดไว้เท่าไหร่ตอบอาบัตเป็นเทศนาคามิหนีมีหาอาบัติที่ทําคืนได้จัดไว้หกอาบัติที่ทําคืนไม่ได้ในศาสนานี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงสักด์รัสไว้อย่างเดียวต้องอาบัตหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นต้นถาม อาบัตหนักในฝ่ายพระวิเนยเป็นไปในทางกายและวาจาตรัดไว้เท่าไรทัญญรถในเวลาวิกาลมีเท่าไรสมมติด้วยยติจะตุตธกรรมวาจามีเท่าไรตอบอาบัตหนักในฝ่ายพระวินัยเป็นไปทางกายและวาจาตรัสไวสองทัญญรถในเวลาวิกาลมีอย่างเดียว สมมุติด้วยยติจตุถกรรมวาจามีอย่างเดียวอาบัติปาราชิกทางกายเป็นต้นถามอาบัติปาราชิกทางกายมีเท่าไหร่ภูมิของภิกษุผู้มีสังวาตมีเท่าไหร่รติเฉดของภิกษุกี่พวกและพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมีเท่าไหร่ถาม อาบัติปา ร, ราชิกทางกายมีเท่าไรภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสมีเท่าไรรัติเฉดของภิกษุกี่พวกและพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมีเท่าไรตอบอาบัติปา ร, ราชิกทางกายมีสองภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสมีสองรติเฉดของภิกษุมีสองพวก และพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมีสองต้องอาบัตเพราะทำร้ายตัวเองเป็นต้นถามเพราะทำร้ายตัวเองต้องอาบัตเท่าไหร่สงแตกกันด้วยอาการเท่าไหร่อาบัตชื่อปฐมาปติกาในศาสนานี้มีเท่าไหร่การทำยติมีเท่าไหร่ตอบ เพราะทำร้ายตัวเองต้องอาบัตมีสองสงแตกกันด้วยอาการสองอาบัตชื่อปฐมาปฏิกาในาศาสนานี้มีสองรมยติมีสองต้องอาบัตเพราะปานาติบาตเป็นต้นถามอาบัตเพราะปานาติบาตมีเท่าไหร่อาบัตปาราชิก เนื่องด้วยวาจามีเท่าไรออาบัตรเกี่ยวด้วยพูดเชิญชวนตรัสไว้เท่าไรออาบัตรเกี่ยวด้วยเที่ยวเป็นพ่อสื่อตรัสไว้เท่าไรตอบอาบัต์เพราะปนาติบาตมีสามอาบัต์ปาราชิกเนื่องด้วยวาจามีสามอาบัต์เกี่ยวด้วยพูดเชิญชวนตรัสไว้สาม และอาบัตเกี่ยวด้วยเที่ยวเป็นพ่อสื่อตรัสไว้สามบุคคลไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้นถามบุคคลไม่ควรให้อุปสมบทมีเท่าไหร่กรรมสังคหะมีเท่าไหร่บุคคลถูกนาสนตรัสไว้เท่าไหร่อนุสาวนาเดียวกันสำหรับบุคคลจำนวนเท่าไหร่ตอบ บุคคลไม่ควรให้อุปสมบทมีสามพวกกรรมสังคหะมีสามอย่างบุคคลที่ถูกนาสนะตรัสไว้สามพวกอนุสาวนาเดียวกันสำหรับบุคคลจำนวนสามคนต้องอาบัตเพราะอทินนาทานเป็นต้นถามต้องอาบัตเพราะอทินนาทานมีเท่าไหร่ อาบัตเพราะเศษเมถุนธรรมเป็นปัจจัยมีเท่าไรเมื่อตัดต้นไม้ต้องอาบัตเท่าไรอาบัตเพราะวัตถุที่ทิ้งเป็นปัจจัยมีเท่าไรตอบต้องอาบัตเ uh พระああาะอธินนาทานมีสาอาบัตเพราะเศษเมถุนธรรมเป็นปัจจัยมีสเมื่อตัดต้นไม้ต้องอาบัต ส, สาม อาบัตเพราะวัตถุที่ทิ้งเป็นปัจจัยมีห้าปรับอาบัตควบกันเป็นต้นถามในภิกุโนวาทะกะวักอาบัตทุกกฎกับปาจิตตีที่ตรัสไว้หมวดที่9ในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีเท่าไหร่พิษุนีกี่จำพวกเป็นเหตุให้พิกษุต้องอาบัตเพราะจีวรเป็นเหตุ ตอบในพิกขุโนวาทะกาวรตอาบัตทุกกฏกับปาจิตตีที่ตรัสไว้หมวดที่9ในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีสภิกษุณีสองพวกเป็นเหตุให้ภิกษุต้องอาบัตเพราะจีวรเป็นเหตุต้องอาบัตปาติเทสนิยะเป็นต้นถามอาบัตปาติเทสนิยะ ที่ตรัสไว้แก่ภิกษุณีมีเท่าไรเพราะขอเข้าเปลือกมาฉันปรับอาบัตทุกกฏกับปาจิตตีหรือตอบอาบัตปาติเทสนิยะที่ตรัสไว้แก่ภิกษุณีปรับอาบัตไว้แปเพราะขอเข้าเปลือกมาฉันปรับอาบัตทุกกฏกับปาจิตตีต้องอาบัตเพราะเดินเป็นต้นถาม ผู้เดินต้องอาบัตเท่าไรผู้ยืนต้องอาบัตเท่าไรผู้นั่งต้องอาบัตเท่าไรและผู้นอนต้องอาบัตเท่าไหรตอบผู้เดินต้องอาบัตสี่ผู้ยืนต้องอาบัตสี่เท่ากันผู้นั่งต้องอาบัตสี่และผู้นอนต้องอาบัตสี่เท่ากัน